เขากินบะลงเขาจบนออกมาแ ล, ะ ล, ะละ้วร้อยโอ้ยกูจะมา อ, อิ่มมาพอเถน้อลูกนี่นี่ท่านทาที่อาหารท่าน เ, ข, าา ข, าเาข่าท้องยั้เดียวถ้าใครที่ลูกสาวเป็นตออกมาบ้านตัวหนาเชิญเดือดข้ามไปรอไปรอเอาพ อ, อ, าพอคุณพ่อเช่นรับซ้าหายใจดีใจงาา่ายจเมียใจใดกินเขาสักวนให้หายใจดีใจง่ามซะสิกินบะลงในขณะเทีเ่ยวสบายดีบาดผลของกอากลับนี่ไ มัสิหามห้อในอารมณ์หนึ่งหามห้อค้าบูชนเพราะฉะนั้นเพื่อนย่อยว่าอยากให้ห้อสอนหลูกสอนเต่าข้าพ้าเขาใครพ่อมีสอนัสิห้าให้เนี่ยเจ้าของให้ให้เขาเจ้าของจมบนให้เขาปฏิบัตเจ้าของสอนได้ไ่เท่าไกันที่รู้ถืได้ถือวายให้แหง้าผ้าเขาเมื่อกี้ลัางออกไปรัวพื้กันแล้วล่ะกินว่ได้เล่าในภาชนะถิมีกับมีแกงปิดแต่จินมปิดยาอะไรใจไม่กินอารมณ์ก่อนแล้วไปนั่นล่ะเพราะฉะนั้น มันปิดกันห้องไรกันนาา่ะอารมณ์นี้ขังห้องบ่เคยพึ่กันมาถามสิปวดเก ร, รี่อวอารมณ์ใ้บ่คขังมากายย่านปัจฉนาก็ให้สติยู่กับกายเพื่อสิปวดเกืี้ยวทุกท่างกายสีติเห็นกายตื่นกายห้องสิบได้ตื่นสาน่ะขังคนตื่นงูแจังเขาสิเดช็ชได้ดีตัวยงเย้งออกไปไกลไกลงูหัวนะ ต, ตื่นย่าน ง, งูย่าน ง, งูกัดอะโต๊ใจแต่ลังคนตื่นอ่า บ, บ่าปิดท่าว่าปิดท่าเป็นที่แด้เอ็น ส, ส, ส, ส, สูงๆขวกอุญวะรถไนงูหรือมีดได้่ะเอ็นว่ามีดท่ามี่ที่ดีดว่าไม่สิโตไก่เกิดโตรถกระหม่อมคุณแล้วขี้ไล่ห้องบระตีนเพราะว่าห้องบ่งจกวาไพ่นี่แหละฮิลิ่นไสิน ม, ม่ให้ห้องเดชัยบอลอยากเลิกยาเลิกมาเลิกสิ่งเสพติดแต่ บ, บ่มีฮิลิ่งบ่มีอุตละ ว่าได้เลือกขันตีสวยจ๋ากับมาซอยอีกรู้จักบ้านอยากกับบ้านหัวมันเหรเว้ยโคตรเอาเนี่ยหลวงพ่อลง ม, มาอยู่น้องแจกกะให้ยข้าเจ้าใชายันตีแล้วล่ะก็เป็นพระใดอีอะพ่อยังหลวง ม, มาอยู่บ้านลง ม, มาอยู่ก็ตั้งกฎระเบียบแล้วเพิ่นอยากเอาหลง ม, มาให้ยังเอาไปม้วนอยู่สามปีสี่ปีมันจะคอยหลับเพิ่นพอลง ม, มาอยู่บ้านบ้านนี่เขาพันาเนาะตั้งกฎระเบียบขึ้น เออบานนี้เขาภาษามันก็พันสินสองสินลบ้านมืออ่นกับเป็นนั้นสินเร่พ่อเอ้ยพวมไม่ไงไกลว่าจีหลวงพ่อกับบ้าหานเร่ขายที่พวกไม่ไ ง, ย, บบไ ย, ไไงยันมึนมีผู้เฒ่าไม่จันสินนัน่มไหมเออแม่ใดยังกินหมากอยู่ถามท่านอะ่ะพอใดยังสูกยาอยู่เออบานนี้แม่ที่กินหมากย่มืออ่นนี่วัานสีนเนาะโรงพย่บาลเนี่ยมืออึนพวกเจ้าแย่เอากระตามากมากให้พวกเจ้ากีบหมากมาพกพูดเลยสองคำสองค ำ, งำท่นละแม่ได้กระด่ เพื่อราะไงไฟใช่กันพที่สูบยาค้าๆอยู่นี่มืออื่นย่อมอยามากเย้ากระปองมากห้ม้วนมากปเลยสองม่วนมีมีไงหนึ่งมาเขียนดีๆเ้าขมือเราบบเลยมีไงน่ยเ้าข้อมือเนี่ยคอนข้สนใจหายร้ก็นั้งว่ดได้สิผู้ค้าพว่าดอกไม่กระบอได้ลม่สีเอาเปรียบกันตะพากระอดน้อกันเมียนโเมนหลพออาชีดอกเทาธรรมดาผู้ถือศิลปันเขาสองวลา ในบ้านนี่หลวงพ่อกัให้พอดีครับสองวิลาขันออกจากภาคเขาแล้วสีบล็อกขาเจียวแตจมว้เปียก่าส้มผ่าสวมข้อที่มาสองขามยาสองกอบว่าที่พอกินอาหารเ่าออกแล้วยมานั่งบนนั่งจมว่าสวมป่าสวมข้อมาข้น่งกระเช้าสร้างอาหารวนที่ามหนึ่นกระจมว่าถเขียวหลังเทียงวันที่ยาฮื่อละทาพูดที่สีบนกว่าสวมป่าสวมข้อกับยาไปบน ล่าออกมาสู่โรยยาข้ามยาม่วนหนึ่งเราเลยอีกเหลือใบม่วนที่สองมาแต่เชี่ยวล้างอาหารเชียงเลยเพราะฉันเป็นเซ็ปเขี่ยวซาพวกเขี่ยวหมากพวกสู่ยากระสูบซะตบรงใบมันหิวมันบ่มีคนไดแผลเปียบเสียเปียบกมันหิวคำว่าหิวย่างบก็บอกมันเออเอกินซี่ายแล้วท่ำแท่นซะเลยบานพวกเจ้ายากระได้เจียหิวกระได้แจ็หิวแหละบ่มีโอกาสจะได้นั่นดอกมัน จินสีขาจะทำแทนเหมือนข้าสวดว่าพี่คู่นางสิข้าทราบชีวสมาปนาถึงพ้อเบื่อสีขาจะทำเครื่องเลี้ยงชีวิตเนี่ยจินขันตีเดชขันมะยากล่าขันตีมาใช่ตัวขันตีปราบางตะปูตีสีขาขันตีคือความโอบกันนี่แล้วโอบกันนี่เนี่ยเป็นการวิธีบรรล่อนบ่ชให้อาหารแจ้เสือคันให้สนองเจตนาสนองขั้มตอนการเขาเิดกามาสุขลีกาอยู่อยู่เนี่ยมันเป็ี่ยนสีได้พวกไง เอาไปมา้ามันเปล่นไปได้เ ด, ด, ด็การพึดกรรมฐ า, านเดี่ยวห้องเพิ่นจังคอยให้พวกนับปฏิบัติลูกจกักรลู ก, ก, ก, รล ก, กลูกจักหน้หาไว้เถอะการท่องประหจักรูกประหลุจจักหน้นาเพาสิจัดการทุกมูนู่มูนั่นั่นไม่ได้ทุกมูง่ายๆที่มาทับเพื่อนท่างกายเขากิดจะเห็นมันเถวะก็ยังว่าพวกพอใหไงมอบมไม้งานให้ใจลูกันเขาบอ น, นนี้เฮือหนี้ท่านเขากิยังรักษาของภายในบ้านได้ เรื่งของทุกชิงทุกขินเพเสียบพรหายบพว่าไกลเพราว่าเป็นเพว่าแมงมัวตัวกล้วยเรื่องเจาะเรื่องเสียมเรื่องมีเรื่องขวนญเสียนผู้ได้ยิบผู้ได้ยืมเขาดูจักเบิดเนี่เันเขราะหนีเฮื่อนหนีสั้นเขารักษาของรักษาไดพลาดในบ้านสิเรียบร้อยอี๋นี่สิ่นจังสรรผู้ได้คอยจับภาพบ้านนี้กันทัวน่วเพราะในฝึกทางจังหวะเดินโยกมั่สติกับวนหนีจากไกลเ ข, า, ขาเอื้นกายยันอุปสรรค ลูกคันลูกมีสินบันก็เรื่องอัตภาพหรือเรื่องตัวตนสะกุลละไก่ก็สิมีสินนี่ข้าจัดการก็มันให้มันเรียบร้อยเจ้าพอสิมีสินนี็ในขณะที่ร่างกายเกิดเจ็บเกิดป่วยอยู่ในขณะที่ร่างกายเกิดนิดเดเหนื่อยอยู่ในขณะที่ร่างกายเมื่อยล้าหรืออ่อนเพลียเพลแรงอยู่ห้องบรจัดการบ๊ะเปื่อยเปืองหามันแม้แต่ท่านมีสิลื่นสังขารมั่งกำเหลือยู่ไหมขณะที่มันงกำเรลือขาสิบริกรมาพปวดน้อปวดน้อปวดน้อปวดน้อปวดน้อลอยขัางพันหัมั่ก็ะโบ้หายเด่ อันนี้เป็นวิธีเก็บกดซัมภัยว่ามันหายด้วยการบริกรรมนี่ล่ะเมีนบริกรรมไปมันก็ดโบเซ้ามันโบถีข้างมันร่างกายความเข้าเกิดตัวเป็นยังไงกระยอนพวกเข้าผู้เฒ่าทั้งหลายเขาเอื่นคข้นสัวหลวงพ่อเคยเบอกว่งเมียนบอก้นสัวเดี๋ยวเขาว่าพวกข้นสัวอย่าไปเกลียดเถอดเข้าสววดีอันบ่าเมีนกับพื่อสัวเด่นนี่เป็นยัง พวกผู้เฒ่าเฒ่ายังพวกพ่อผัวแม่บวมเป็นคนประพฤติชัวแต่ว่าคนชัวบอกว่าอื่นว่าประพฤติชัวเด็กประพฤติชวไม่ตาหากคนชัวท่านธรรมชาติหมายถึงเข้าเป็นผู้แข่งในสิในในถ้ำอันเป็นวินัยคำสอนของภาษาสด า, า, าอยู่แต่ว่าควบแข่งก็เข้ากับว่าไปหามสกดลละร่างกายก็เขา้าซารีละร่างกายเอาไว้ว่าทุกสัตวส่วนให้คงทีท่าวานันเป็นไปเพ่ได้างเถอะเข่งในสินเข่งในถ้มวินัยผนิการยั่งไปหามอะไรยั่งผม ยังงอกด้ผมเอจะสิบอก ไ, ไตายย่าัวย่ามวยย่าผากงด้หูกย่าหนวดย่ตึงด้อแขวนี้กะย่าหลุดย่าโรนดด้วย เ, ออเนื้อนางมั่งสาหกหาให้งามสงางเพียงปังพูผ่าบาดตายก็นสิเด้อสิบวได้มันบัเคยฟั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันบัเคยยู่ในวิสัยห้ามได้ใส่ฟั่งจะเถรินมิไสางย่าปัญญาถึไม่ยอมรับเขาเอายยถาพูดแต่ย่ามด้วยยาถาพูดแต่ย่า น, นี่ย่านตัวนี้เรียกว่า ย่านตัวอยอผู้หญิงได้่ยพะย่ยอผู้หญิงสะอาดตัวนอนเนี่ยสะกดนี่มันเป็นปัญญาชนิดหนึ่งเพื่อเสียให้ถอนอัตตาโนติจีหรืออั ต, ตว้าถูกประท่านส่วนย่านตัวยอยักษสะอาดตัวน่อง น, นู้นสกุนี่เป็นเครื่องผ้าไปขับไปสู้ย่านตัวนั้นสิ่ได้รู้สิเกิดย่านตัวนั้นมานรู้รู้รักจะทำรู้ตามคั้วเป็นกิงของร่างกายรู้ตามขั้วเป็นกิงของร่างของจิตใจ คเปลนยีนของรางกายอ๋อมันเปลีย่ยงสีร่างกายร้อยข้นเกิดขึ้นกันพานข้นเกิดขึ้นกันไปเบิดภาษาศาสดา์มีลีธ า, ส, าสักดาเดยดกระเท ا เป็นแก้เป็นเหียวย้อนย่านเป็นชวิผิว่านเป็นบวชวาเพียนฟังมาดิเท่าเป็นเือ น, นี่เพราะฉะนั้นพวกพวก่อยใหญ่กะห้องประพฤติท่ามาเค่งในฉินในวินัยกบ่ได้หามจนร่างกายของเขาไหลไปสู่กลุมสัวจนได้สัพวพ่อใหญ่ เป็นข้นสัวแหละปวดพองยังปวดเมยมีสัตว์หนึ่งมานนัหนาตอนเทอาแก่นี่ทุเนี่ยทุนี่เขาแปลยกวาสัวนี่คันทุ่งยังไหนทุ่งพลละพาทุพลละพาพระเขาเปลยกว่ากำลังเน้นบอ่อปวดเมีวทุ่งพละพาฉลาพาคันทุ่ศิลป์ูกประพฤติซัวอันนั้นคันทุศิลป์เนี่ยประพฤติัวเจบานนี่พ่อแม่นี่โอ้ยเป็นคนทุเหลียวละพยศมดมานาแล้ว มันเป็นเองตั้งแต่พวกว่าท่านมีพระเจ้าพระสมฆ์ดงมากเขาสู้่วงกันนี่บวกเคยเอืนมาฝึกกับประธานก็ยังประพืชสินเป็นยุบหัวพ่อพัวเม่คือเขาเอื่นซ้ำปัจจิรัตชินบางอย่างพวกพ่อแมียอดใจไปเพราแห้งคมใจไปเพระแหงพวกพ่อพวกแม่ยเคยเจลื่อนหาเสื้อผ้าในบ้านเขาคอยจัดงานงานเจ็บดุเจ็บเดียวท่บุญหายหยาดพุ่มลมหาตายจากกระซังเขาเอาน้ําเครื่องอาคมาสิตก เงื่อนเอเลนเงื่อ น, นเป็นงนื่นถ้าบุญหายาไกล้กเงื่อนเท่าโอ้ยหนังเครื่องอาหนังเจาะพาโลกโกูสิบุตรีน้อนแล้วนาะเสียงกระสุนสมันดังคักดังแน่ตัวสนั่ น, นปันผืนสถานจะเตื่อนแผ่นดินมั้งเนี่ยคุณดูอันเรื่องแก่ศิบุใชีว่าผู้เฒ่ามักเดีู่้เฒ่าเศร้ามากเลี่ยงแต่นหน่อยแต่แต่นุนม่มแต่เป็นบ้าเป็นสาวว่าบุเคยมากอยู่บานีดถ้ามาแก่สิบมันเป็นเองบุเคยเลี้ยงมาฝึกกรรมฐานก็มี อมีความเบื่อบาชอบสีชอบให้ว่าสีเสียงกีร น, นมันมันเศ้าเองมันบ่มันใส่บ่ฝ่าบ่ฟังใส่บ่ขึ้นตาเป็นว่าเป็นสาวอันนี้นะห้าวสวดมันก็ได้ครับใ้ของห้าเนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารนั่นพวงไม่เที่ยงอธานิพินทิติทุเเคสมคโคยสุติยาเมื่อนั้นย่อมเงยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงตะกี้ห้าหลงกับมันอยู่มวลตรี น, นุกสนานลาเริ่องคด้ฟังเพี้งฟังหล่องฟังลําฟังขับกลองตะ เดี๋ยวนี้ย่อมเงนานายหน้าในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตัวหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพรนิพพานอันไม่นธรรมโจดตรู้อยกอยากลบมุ่งสงบส ง, สงัดบอ่อยากรับอันนั้นนี่ถึงจุดอิ่มตัวแล้วบัานเมื่อกระเป็นได้บ้านี้สร้างสร้างลูกสร้างเต้าภูเขาเอามารบกวนอยู่แต่งั่ว่าปริปากพูดคุยแห่งเป็นคั้เสียดแสงเป็นคขั่อเสียดสีสแสดงหูเขาแน่ คำพูดของขบวดาบวาบวยไฉก็พ nee ูดเสียดสีให้มันแสดงหูเขาสิก็เรียกว่าห้องรักษาไก่อะไรประพฤติสินยุคอดข่มอดใจไว้ข่มจีข่ใจไว้บวระเบิดทั้งทั้งที่ห้องบวชเนี่ยผู้เฒ่าห้องก่ย่งขมจีข่มใจก่ย่งเรียบร้อยม้องมึงดูห้าวบวมักบวเซวะมากเวอร์หึ่งพวกพอย่ายังขนมาหลายบวมเครื่องหนังมือใดเขาไม่ใช่ ควรเป็น ไ, ไงนี่ยหอดบ่เบิงนอนกับบ่หลับคันบ่บได้เขาปิดเครื่องขายายดับไฟเครื่องโอ้ยสมองเบาบงวงหลุดป่ะเนี่ยเนี่ยบ่ด้เข้ามาจักบาไดเขาเถาโอ้เถาแล้วมันบ่มักดิมันบุกขึ้นแต่ น, น้อยแต่นุ่มเนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาบ่ดได้เห็นด้วยฐา น, น, นเนี่ยนี่เป็นไงฐานเนื่ยมับ่เห็นทุกเจ้าสิ ได้สัมผัสเองเอาใจเข้าไปสัมผัสเนี่ยตื่น เ, เนี่ยเห็นใจตื่นใจเห็นกายตื่นกายไมันได้ตื่นตื่นให้ได้ลบดีให้ได้จ้ง ก, การกับมั่นอยงที่จ้งผูกพ่อไงนั่งอยู่เมื่อร่างกายมันกำเหลือเกิดเจ็บเกิดปวดเห้องเก่าขันควายมันเจ็บปวดถ้าเพื่อเพื่อห้องเกิดมีทางเสียคนเกิดเนี่ลร่อมบบเสือจังสีบผูกไม่ไงเอาอยางหันนี่มือไหวบ่อยเลือดมาหาปายมือนี่ มันสีแดงกำขึ้นมา เ, เ, เมารืยปวดเรื่อยเนี่ยเลื่อนมาบ่ได้เนา่าปลายมือเขากระเน่าเรืยขึ้นเขาอายางคันทำหมาทำแมวขาเส้นเนี่ยการมุวนเวียนของโลหิตมันไปส่วนนั้นบ่ได้ขาดเลยบางคน ป, ป่นวยเสียงคนป่วยนอนแอีงแมงที่ศาตรที่เสือ่อถ้าบ่ามีหลูมมิหลานมาส้วมลูกส้วมนังนนี่ถ่ายซุปถ่ายพ้องเปยเป่ ย, เ, ปยเนา่าเละไปเลยเนี่ยก็เนื่องจากนั่นนะข้อเข้าเบาหน่อยกิโลนั่นนะข้อเขานั่งทับอยู่ท่าเดียวตลอด การมุนเวียนของฮิตมันไปบ่ได้ใบเบิกจะดีบลัดนี่ก็ได้ดีบกดขอดข้อห้องมีเส้นผู้ๆหลายๆบ่อยบ่อยเลื่อยมุนเวียนมน้ามันก็มีทางเสียเกินเพราะฉะนั้นอิริบดนี่ก็ที่ห้องเปลี่ยนทุกมันทนได้ยากเนาะมันก็บอกเขาอยู่สัญญาณไถ่มันก็เตือนบอกเข้าอยู่ทันผู้ดูกรรมฐานกสิจักการกับมันโอ้ดีทุกทางกายขย้อนทานกุบกดเปลืองให้แก้พวกลูกกระทำแก้ไขให้แก้ลูกกระทเข้าวได้มันอ่า สัญญาณไทยมันเปลี่ยนมันขอหล่อแเ่วมันเพิ่งเข้ากันล่ะรูปธรรมเพิ่งเข้ากาสี่เบียนเบียนเจ้าของกับเบียนเบียนตัวเหมือมันจะเป็นที่สุดดูอปวกพอใจให้เฮายังผู้ผู้ศึกษาธรรมะเข่าใจธรรมาแล้วยังเบียนเบียนเจ้าของอยู่ในบางกะแลนี่ยังหลวงพ่อคิเห็นหลวงพ่อหรอเบียนเบียนเจ้าของท่งนท่าเพียเข่าใจว่าทําเราได้เป็นไปเพื่อเบียนเบียนตัวและผู้อื่นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยร์ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระธรรมกฏ วิธีปฏิบัติกรรมฐานก็เข้ามันบวชขัดละบวขัดกับลักข้องขีดพอใหญ่ไม่ไงวิธีปฏิบัติธรรมะในห้องแก้ทุกข์บวเลือสถานที่ยุบรถบวชลาบแก้ได้แก้ทุกข์บางเรื่องบางกรณีแก่แก่ในชุมชนบุตรใเพราะว่าอันควนห้องมาตั้งกนลำเบียบขึ้นไปบวสอดคล้องกับธรรมชาติแมนอิริเดชุบบางเรื่องแก้ในชุมชนบุตรดแจ้งรุพรนี่ไปรถไปแลกไปลาบไปในห้างเที่ยจนโอ้โยถ่องเนาะ ทองเป็นมักมันเป็นเท้าเป็นดานทองผูกกรมี่นั่นเือะจนสิเป็นรีสี่ดวงทว่าเนืน่องจากทุกมันมั่นว่าไรโอกาสพ่อสิกยได้ในสูตรท่านตัวเข้าหสาหคาตะทุกทุกไปกับกันเอามาทบเทวนเมืองบอกจะเทียวบ่ขคอที่เจ็ดอ่ะทุกซีฟคอละเดี่ไปเมืองคอที่เจ็ดสาหฆ่าตะทุกทุกไปกับกันเอาเรียนนะท่ามบ๊วยูดได้อธิบายหาตัวอย่างมาที่ใบห้องฟั่งบง่มีเลยสาหาเขาเปลว่ยวกับแกสาาา้สาหช่างสหพัฒนาพี่บุญสิอันนั่นเขาเปลว่ากับเมนบั คันบริษัทที่ขึ้นสหัสานแสดงว่าคนมาถือหุน้นเอาเงินมากองทุ น, วนรวมกันบัเอาบัวตั้ก็สองเจ้าขึ้นไปจังลุงปู่จะรั่นกับลุงพอ่อถ้าลุงพ่อเอาเงินก้อนน้อยนอยนึงไป ส, สมทกระเพิ่นข า, ขายนี่บริษัทที่ตัง้งขึ้นจากคนสองคนร่วมทุนกันเขาเ อ, าอาิ้นสหัสีทุนอสิหาทุนหทุนใจทุนสิบทุนร้อยทุนก็ตางเขาเอืนน้นสหัสากับบัตรทุกไปก็เข้าตั้งแต่ทุกสองประเด็น สองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องขึ้นไปขึ้นไปนั่งห้องเขาเอื่นสหคาตุกทุกไปกับกันจังรู้พอศิษย์นมารวดชุมว่าสิป้ารู้พอสิมาเทศบ้านห้อถ้าเพื่อนนิมนต์มาเทียนเซเทนขึ้นกูไปเพท่านเท่นนี่กะงานเสียต้องไปรถคันนี้ละสุวรรเจ่นศิมาเทียนบ้านคือรถคันนี้แต่ว่ารถคันนี้เขาอัดกันมากแน่แล้วรู้พอเลย่ึงขืนขืนเป็นคนเหลือบ่อต้องหอยต้องโขนมาแน่ยทกปะมีที่นังเม่นบ่อเน่ยทูนึงแหละเม่นบ่อพ่อขืนรถโอ้ยพอดีได้ยิน กระเ๋ารถว่าแจกเน่มันมาบ่าปิ่างตายมันเถอิาวากับคนโดยสานแต่มีห้องเขาใจกรรมฐานห้องอธิบ ด, ด้สวนใจห้องสิเบืองเกของอคิดมันกาลังกาเหลือสังขารปลายจีกาลังกเหลือห้องสิบโเปืองแก่ไครทุกที่สามอธิโอ้ยมาทังป่วยฉี่ปวยเนื้อเถมันนั่า น, านหอดจุดหม้ปลายทางแถอะยสิจัเรื่องแล้วคุณลูกหาไปทังรถหาเทยวอัยท อ, อออทองเจ้าวายยงเอียงทองเบี้ยสิหายร่มมากันตรนนี่ก็ ตับ้อนมีเสียงก็ได้แต่มันหั่ีมิกินอยู่ขันศีตเขาขันถามหาตัวบักไดมิจินยังมาตัมาตัวเม็นตายมันจะคอยยื้อศีว่าอีเนี่ยจาเนตอนมีฮิริบันนี่กั้นกั้นหนอันผวดตัวเกลเรือบได้ปดเหน็บบุดูว่ามนเคื่อนผิดกฎหมายเอียงเลยเพราะไ่คณตดออกดังๆก็สิหมือพระมันจะใส่มาหนาหายหนาเมื่อเดี๋ยสูมาตับแหมบ่อเขาสว่าอยล่ละเนี่ยเอาไปมากเลยกันหน่อยกันไง ทองเป็นมักมันเป็นเท้าเป็นลานผู้แล้วละนี่ในเรื่องบางเรื่องจำเป็นต้องกันนะต่อไก่ย้อนพระพุทธเจ้าห้องมักอยู่ในปลาเปียวปลาโลกปลาชาัดเป็นที่สงบสงังัดทางบ้านทางเมืองให้จาโตัวซื้อสิบ่นมีผู้ใดเป็นตาไอหรลอว่าปุ้งกับสิบปุ้งแล้วก็ซล้อไไ ห, หรือวขันค้นบอกขยเใจกรรมฐ า, านผู้บ่าผู้เสาวตัวใ่กันเส้ามากกันผู้แล้วเพราะไงนั่นเป็นอันในเรื่องตอืว ไม่บอท่ามะมะโขงมหาถุตพ่อไงเอาท่ามะมันก็ไปเบิดแหละเมียนบอทีลรก็ท่ามะตัวเขาเอื่นอสุส้นท่าหมดแหละขันดีก็ท่ามะมันท่ามะเบิดแหละท่ามะของเฮ้ามันโวยต่อให้มันหลอกครอบนี้มันท่านะมันอารมณ์มันมีอ่ามีอำนาจหลายกรพอเขาเอื่ออุปีแล้วกรรมกรรมบีบขันเรื่องอารมณ์นี่บานน้องซิมบูรุ ชิ far, u u, times, the nah. the ้นข้อเข่าขาดชิ้นข้อเขาทะลุชิ้นข้อเข่าดังพ้อยกรเพาะเข่าบริเวฝึกกรรมฐานวัดเดสาสมศรีสัพยัญญะบริลล์รวมร่วมขันเข่าหลดเร่วมสรีสัพยัญญะไว้ท่าสองข้อเป็นท่านมีอุปการะมามเป็นท่ามี่อุปกาละมีคุนมาชิ้ค่อยเป็นพระพุทธเจ้ากำจัดทุกข์ขหนเขาขันเขาสะสมไว้รวมร่วมไว้เจริญไว้มากๆเที่ยวสุดว่าพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์นั่นขันบะมีท่าสองข้อสังขากำเหลือมันบีบขัน อุปีกรรมกรรมบีขั้นบีขั้นเขาแปลว่าบังคับพักดันสมัาเข้าโกรธหน้ารักสิดากระดากันในขณะที่โกรธแม่นว่าเพื่อไม่ไงขันเศร้าโกรธด่าได้ปะเนี่ยนี่เลยแล้วแหละคันคากระคากันในในขณะที่โกรธหลายๆขันเศ้าโกรธแล้วคากันบ่าอะไรส้มเนี่ยมันเป็นสัญลักษณอารมณ์มันโอ้ยมันบังคับรุ่งพอเคยบอกเรื่องตามสมบกว่าใช้เสดเดือนในพวกอย่าฟังเสียงแม่นบอกสกทีรุ่งพอไปอายืมเพื่อกุชชุ่ม ว่าทำหยุดโทนิมอนไปแล้วก็บอกเรื่องอารมณ์เนอะลุ่งพรว่าปีนั้นฝนตกดีดีบ้านน้องแกหน้าเข้นเขินหน้าโคโค่ได้ปักได้ดำมิดอันพวกปูปลากุ้งซิ่วออกไปแพหมาว่าสวดๆหน้าโคโค่แต่เพราะไงล้านคนพ่อละอันหนึงอ่ะเป็นเปล่าหน่อยๆเย็นมันเป็นพ่อเพื่อนแหละตุกข์ขอบตุกข์เลยสามล่ยด้ไอ้งวนไอ้ซุกไอ้ล้วนไปใส่เด็ดหอมใงหอมเนี่ยมันเน่าไป ตามหวยกูธาตุร่วมถึงช่องท่าหมอพุ้่ะไปร่วมกันบ้านน้องไพ่เจียงคอไปไอ้สามกับท่าช่ายไปนันไสเบ็ดอยู่ทเทียงหน้าต่เพียงแข่เทียงหน้าเทียงหน้าเงี้ยเสียปูบกัวไว้หลอดเทียงหน้าหลอมของหลอดเทียงหน้าเขาจะมิตรตุนบกัวบ้านนีไปไซเบทเขาเขียวนเนาะเดือนเก่านี่ปี้เขาสีท่านกําลังสวยเนี่ยมั้ไสเบ็ดจองผู้เลี้ยงสองสามขั้นเทีหน้าขัเทหน้ามันมิตร เ, เ, เง่้ยวเงวไสเบทกับไสเบทเยอะใส่เดือนละเดือนคําแล้งนี้บ่เนี้ เด็ดไปใ้เด็ดมาใชเด็ดไปเด็ดมาจนกระั่หอดสองทุ่มอันหนึ่งิ้วเขาหวยตามโซนกินเขาต่อเอยๆอันอันว่าเพื่อนบะฮุ้ง่มย่ำไปจนจเว้นผุดไปหอดที่หน้าเขากับปิดไปปิดบวกว่าเขามาหนึ่งโลดปอเปลือกซับย่ำส้อยใส่ถาดมุกับอะไรอ้อมปมบ่กคทามาถึงสองทุ่มอันอยาเขาเว้ยตามซนกินเขาต่อให้หิวเขาเลยอันที่สองห่วยย่อดไปกินด้วย อันขเวมหิว่ะอาหารอยากข้นยุกับขเวมหิวเห็นว่าอะอ่ิงเขาเสียเมือนยุกกับขเวมหิวให้มันหิวคก็ก็จริงเขาเสียก็เลยอดหน่อยอดไงกันไหวมูเขาผ้าเราเด็กเราเปนน้เขาอส่ะจงกระทั่งสิเขาไปสาทุ่มวันสองคนมานั่งถึงเสียหน้าหพอต่ำสมเนาะตัวหิวไปหัยเขาก็หิวเลยวัน้คือเขาต่ำนาะตําพี่ว้เพียงสันทายมนโ้ยบ่เห็นเินอื่นเงนากนยเสียงไอ้นังกระลาเขาปุมบัุมันเดียดกันแล้ว หัครับไม่เอาไฟมาได้ทีเดียวตามโจมตัวเขื่อนหิวเข่าเลยเดีโอ้ยไม่ขีดไฟกระโทมน้ำเลยเหรอมือเพื่อจะได้ไม่เจสิได้กินเขาลู่สระสองไอวะเนี่ยบอกกันเดี๋ยวเบื <um <interject ing> like so so ้องหน้าแต่นุ่มเชยเบิ้งหน้าแต่พอนุ่มเชยดูมันเหนือเหนือกับแหบ่มีไฟจักแสียงมิดซีรีเดี๋ยวเบิงหน้าพญานันบันซ้ำดูทางตออกวันมิดบ่มีจักแสงเดี๋ยวเบิงหน้าจานทร์อภรตแต่เฮงดู บะมีคู่มือนี่คือแสงหิ้งห้อยพวกขากินลองทงนํากันเมื่อเผอิญบะมี่เจ๊ตแสงอันนั้นจะได้เบาตะโบสร้างหัวต่อสูบมันบุหรีสาดก็เอาพีกใส้โคตรเส้งขวนัญเส้นนวยแหละแต่มันมือมือมันเกดเลี่ยดต่อจัดการเอาพีกไส้โคกเอาเกลือลุเอาบะคั้มหน่อยได้เป็นส่วนหนึ่บะคั้มหน่อยตาโคกใส่กันย่างละเอียดพอโกะประมาณบะพีกแล้วเบะกัวมากบะกัวสร้อยใส่ถาดเลยเนี่ยจะเว้น มาเทพกว่าจวดเล้ปลามาอันมกปลาากับมกใสเดือนไอวมกปลากเอาตรองกล้วยห่อมกใสเดือนก็เอากองกล้วยห่อตั้งมาปที่นหน้าเทียมกันนะต่อเอามกปลามากไปล่าถือมกใสเดือนห่อบบบง่ายๆนะมาไม่แจ็ออกเทพรัวๆลุบใไอเทอันนี้วือไทยเร่ๆคือพวกคเห็ุไหวเลยหิ้วเขาทีให้เอาเห็นแม่ค้าตมาห้อหยิ่นคือนแจกแจกจะไปต่ำมันบอบทำคลั่งเลยไหมหัวขันนี้หัวขันนี้มันแือ คือคือทัวร์นอกสำนัเอื่นเขาสาวไปพรางไปกาวทัวระอันที่มึงวันนี้คือแจงจงางเรอะเถิดเถิดเถเถิมันเคยตามสมค้ายเพียบปลานไม่จีซุกถามหาชมันอ้ยก็ปลาคาปีคาเดือนละซุกสิมปาปลาอีกไม่อันสมาจางถึงจางตัวมันใส่บกพเพ อ, อเอาใส่อีที่าสั่นเอาเทียรัวรวต้องอี๋ไอที่สองที่มึงโอ้ยคือแแรงล้มพงหนิเฮ้ย บ่มีรถไม่ขาดเลยแหละมันปลาดไม่รีดที่สูดไห่ห้อยตัวกัอิสมพาดละห้อยก็ได้ส่วนมันสม่าบ่ไมรถเอ่มันบ่ค่อสิม่ดจะไหเอาใส่อีเดียเทมแนเบอร์อิงหวนไอิอหวอเอาแอนเบอระสู่วนเทวัดบ้ายัวเท้ากันแล้วมั่งหวมใช้ถาดสอนใส่สอนมันสดสดไปสดมากปลาดปลรลดจีสูกูสดถือแต่ปลาลดดเปิือไทเดียวนั่นแหละปลาดปลาลดจีสูบส่นกูสดถือตั้งแต่ปลลด เว้ยจ้ว่าเป็นรดประหลาดเลยเว้ยกูกระเือนขึ้นกันแล้วสันนัยกินแล้วก็ค่อยอยู่ดีไม่แหงอยู่บวกลืนท้องขึ้นใส่บวลดอกอวกายเกียนซื้อๆค่อยเดือนขึ้นบ้านเนี้ยเ้ยมันนั่นขึ้นแต่เดือนเนี่มันจิได้เราเวทบลสูบไฟบะมีเนี่ยเสียจนว่าก็หาอนนท่านไม่บอกนี่แหมอันรนี่เอานนี้ท่านไม่บอกนี่ท่านจบไปเดือนหนึ่งเดือนกําลังขืนเซิงสางแบบฮวงสว่างมาเน่ห่วยอันี่อีเจ้ากุนอเจ้าก่อนเอามาอีกจ้าก้อน นิท่านสันเราอีกใจก่อนก็ได้คืนร้อนสนเอานิท่านมาอีกกว่าหนึ่งพ่อนิท่านก่อนที่สองจบเดือนกุมูรกขึ้นสูงถึงโอ้พอดีล่ะโเสียเฉียวคือมาน้อนใสเบสใช่ไหมยางจีไรเราเราสองเราจะคอยมานนอนกันในแม่นอสันเอายิ้มม่านแบงกันเฮ้ยเป็นเล่ามากมาเปิดโอ้ยยางต่ปะลาเฮ้ยใสเดือนใสสมบกอเบิร์อเย นีเดี๋ยวสิเนี่ยส่นอันอันก็อันที่สองที่สามมันบวชแต่มันคุ้งบบไงเร่องน่ อ, อ้ไปเลยนอนวับยนันคนอะไรมุ่งเขียงหน้าเดยโอ้โหแออกไปคนเลยเออใส่เดีนไลออกไปคนอะมุ่งเออนั่นอ่ะมนุษย์มันมบีบมนมีมือดอกครับมคันทองคันใส่กยออกไปได้ปีลวกระำกรรบีพั น, นดูอารมณ์มันบงังคับให้เข้าคาได้บงังคับให้เข้า ด่าว่าตะโกนลั่นบ้านก็ได้ผู้อุปยกระกำบังกับพงให้คนนอนบ่ได้ ย, ย่านพี่หลอกหนิลุงพ่อผ้าบานน้องแจไปฟบ้นอ่าน้อมพ้าแว่นเจนึงป่าเขาป่านี่ดีลวงพอ่อเห็นต้นลําดวนเป็นแถวเพื่อผู้เฒ่าบ้านเขาก็ น, นอนอยู่น้าหลุมตื่นเต้นจริงจริงเขาจัดปฏิบัติเลนเอาย่อมไปปฏิบัติกับระธานนั่เขาก็มาใช่บาทในวัดเดินเป็นแถวใน ว, ในวัดใส่บาทยำเสาอุ่มบาทใสในวัด เจ้ากมาถามโยงคนพอฝันดีบ่ไม่ยานโอ้ยนันแจนันจมดีพดบ่มีผู้ใดฝันหรอสนใครเจ้าเับันเนี่ยเข้าใจว่าบ้านใคาเจ้ามาหลกเลี่ยงน่ะมาถามหาเรื่องฝันสนผู้มีอวันพอเพิ่นนี่เพิ่นอันตบะเพิ่นเกีงเพิ่นกิมาถามสินใเจ้าแท้จริงอันนั้นเขาเอินอันปราสาทพีดีคุ้มอันท่านป่าลำดวนคุ้มเะงตีเร็งไม่ได้พีแต่หงเ พวกมึกนนอนอนะม ง, มงมเกิน้อยอย่ า, านัุมตของืลมทีเลงแล้วก็เกากันขาเจ้าไปถามว่ารับาเพห็นฟันดีบอยายม า, ามันงถามบบหนุ่รุ่นขาเจ้าไปบอให้ไม่ไงหนึ่งกระไก่ผัวมีไงนุ่นมีไงพิมพ์ฟังมีแตุ่มพี่แต่งของนี่เถ่านึเฮ้ยะอะหอบสาดแล้วมันปุงเลยวันนี้ บ, บังคับแห่หอมมอนหหอมาดแหหาที่นอนในบนอุปีและกรรมบังคับเลยวันนี้เนี่ยพมยานมันเสจเป็นต่างๆหน้าตัว อันนี้คือกันหละกันหาา้องมากฝึกกรรมฐานมัสิบังคับมั่มนี่คือบางแถมันสิบงังคับห้องหอสอาดพวบไปหันพวบออไปจนบอดี้เฮดได้ทำน้ำมูกเดียว <c oughs> อุปีรกกรรมนั่นหฮม น, นั่นจะดีกว่านีมนี่จิงือเดียวไปพูดหฮมนั่นคือจะดีกว่าหฮมนี่มันปุงไปแด่เพื่ออลไรบ้างครับไปไปนั่นเลียวอุปีะระกกรรมกรรมีพันทั้งขานตัวนี้นะพระฉจ้นั้นเอาพยายามสู่ซีมือเราถึงแต่สูงห มันท right. ี่สิบแปเที่กยี่สิบยิเอดสี่เยออมันเป็นนั่นแ่ะมันก็แช่งมันก็อยาให้ลุงพอเศร้าเบาเือล่ะเบาโดนแท้เมือนกัเอาชนะเลยเอาละมาเตือนร้ายเ่อแล้วเบาถ้ามาเมื่อนี้กาคอยปวพ่อพวกแมวทูกฐานนับปฏิบัติทั้งสองไฟบรรพชิตธละบาทอนี้ก้มบากวรรพยามฟ้าฟันปาะสหน้าหน้าชนิดเพื่อให้ได้บรรลุถ้ำที่ เป็นเชื่อมกับอยัตถุแล้วอายุของผู้เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นอายเป็นชายเป็ น, น้องเป็นหนุ่มที่มากฝึกกรรมฐ า, านห่วมกันการเทาปราบสังขารเอาสังขารอยู่แล้วอายุของเท้ากระสีมันสิยืน่นแต่เป็นหฮมเป็นผู้ใจ้แกหลูแก่หลานและบาร์นีเท้ากะสีหลูจักไช่ธรรมะควบคู่ไปแต่ละวันแต่ละวันยิงของเขท้าถูกคนได้มีความบาปบันพยายามฟ้าพันประสาหน้าหน้าชนิด จ, จุดทิงฟังทิ้งฝาด้วยกันทุกทุกท่าน เด็